เพิ่มพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีคนทางคนก็มีใจตรงนี้ดับเป็นแก่นแต่อยา่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยเราทำความดีใดๆก็เพื่อจิตตรงนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น ทำไมทำเพื่อจิตดวงนี้ล่ะเพราะเพราะว่าจิตดวงนี้มันยังหลงอยู่มันสะสมเอากิเลสเข้ามาทับถมตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอันนี้ให้ในกิเลสเหล่านี้นะนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไร ที่จะมากำจัดมันได้ไม่มีคาถาอาคมไม่มีฤทธิ์เดชอะไรในโลกนี่จะมากมจัดกิเลสอันมักผมอยู่ในจิตใจนี่ได้มีแต่บุญกุศลเท่านี้แหละจะเป็นเครื่องขจัด ทีเลตออกไปจากดวงจิตนี้ได้โดยเฉพาะการภาวนาการภาวนานี่มันเป็นการเข้าใกล้ชิดกับทีเลสเพราะว่านวโน้มสติระลึกเข้าไปหาดวงจิตน้่น นนี้นกิเลสมันก็อยู่ที่จิตนั่นหนึ่งนั้นเมื่อสติย่างเข้าไปถึงจิตมันก็ทำให้กิเลสนิ่เ ร, ร้อนสติก็ดีความอดทนก็ดีมันเป็นตะปะธรรม เครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนเช่นอย่าเราเพ่งเข้าไปอยู่ในจิตนี่ไม่ให้จิตมันกวดแข่งออกไปข้างนอกไม่ให้มันดินไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างนี้นะเราเพ่งอยู่ภายในนี่อาศัยความเพ่งอันนี้มันเป็นตะปา ร, รม เผากิเลส ท, ที่หมักมมอยู่ในจิตใจนี่ให้เราร้อนทนอยู่ไม่ได้ต้องถอนตัวออกไปดังนั้นการเพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบเนี่ยมันจึงดิ้นหล่นจิตเนี่ยไม่ใช่จิตมันดินลนกิเลสมันรบกวน ผู้ไม่รู้เท่าก่อนึกว่าจิตตนไม่ส ง, งบทายังไงมันก็ไม่ส ง, งบแท้ที่จริงแล้วกิเลสมันเมื่อเราเพ่งเข้าไปกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ไหวมันกดดิน้นดิ้นเท่าไรเราไม่ถอยเราเพ่งเข้าไป เห็นความเกิดความดับของกิเลสของอารมณ์ต่างๆอยู่ภายในนั่นแหละกิเลสก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อจิตรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่ถือมัน่นมันมันก็ดับไปแต่ที่จิตไม่รู้แจ้งและไปยึดเอามันไว้นั่นแหละมันถึงอยู่ในจิตใจนี้ได้ ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วมันอยู่ไม่ได้นะกิเลสนี่ที่จิตมันจะยึดถือไว้ก็เพราะมันไม่เห็นตัวกิเลสนั่นแหละที่มันไม่เห็นเพราะมันไม่เพ่งมันต้องเพ่งอยู่ที่เดียวชานางแปลว่าเพ่งนั่นแหละที่ท่านว่าท่าน จเจริญฌานนั่นนะก็คือพยายามเพ่งดวงกิดอันเนี้ยหรือเพ่งกายอันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันเห็นแจ้งเอาสติเข้าไปจดจ้องอยู่ในกายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งภายในสุดแล้วแต่มันเห็นส่วนไหนเพ่งเข้าไปนะั่ะ มันเห็นกระดูกสี่โคง้งหรือมันเห็นไส่เห็นตับเห็นปอดมันเห็นเอาไวว่าส่วนใดก็เพ่งอยู่ในส่วนนั้นหรือว่ามันเห็นหัวใจเห็นเนื้อหัวใจหรือที่สันเรียกว่าหาไทยวัตถุอันนี้ก็แพ่งอยู่ที่เนื้อหัวใจ ให้จิตมันกำหนดรู้อยู่ที่เดียวนั่นนะ่ะนัละจิตนี้มันจะแก่กล้าขึ้นมันจะตั้งมั่นเมื่อมันมันกำหนดรู้อยู่ที่เดียวนะมันจะไม่อ่อนแอมันจะเข้มแข็งทําให้กิเลสต่างๆมันนอนเนื่องอยู่ในใจนี้ไม่ได้มันลิ้นออกไป ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องพิจารณามันกิเลสอะไรมันโผล่ขึ้นมาเราก็พิจารณาว่าของเหานี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ไม่มีอื่นไกลอะไรแหละจิตมันวิตกไปนะความรักหนึ่งความชังหนึ่ง ความหลงพอมไม่รู้จริงเดี๋จิตมันก็คิดส่านไปทั่วคว้าได้อะไรก็เอาไปเรื่อยไปอย่างนั้นเรียกว่าจิตหลงคิดอย่างไม่มีสถานีคาว่านั่นเนี่ย น, นั่นเรียกว่าจิตหลงอังนั้นเราเพ่งอย่าให้มันคิดไปปรมประโดยไม่มีเหตุผล ทำจะคิดต้องทำจิตให้สงบซสก่อนเมื่อจิตสงบแล้วจึงต้องการจะพิจารณาเรื่องอะไรแต่จึงกำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณามันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้ <c oughs> เหมือนอย่างเราจ้องสายตาไปดูวัตถุอันใดอันหนึ่งนั่นแหละ เมื่อเราไม่กรอกตาไปมาอย่างนี้เราจ้องอยู่แต่วัตถุอันเดียวนั้นนะมันก็เห็นแจ้งชัดในวัตถุอ น, นั้นได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรมันก็เห็นชัดได้เลยอันนี้เราเพ่งตาในบะนี่เราเพ่งดูอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆวงนันี้เมื่อจิตมัน นิ่งมันตั้งมั่นอยู่ได้แล้วมันก็เห็นแจ้งแล้ ว, วันนี้น ะ, ะมันเปน็นยังไงก็พราะมันไม่เห็นแจ้งนี่แหละมันจึงหลงไหลอยู่ในโลกสงสารบวชเข้ามาแล้วมันก็จะศึกไปหามันนี่ก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งนั่นแหละผู้ที่ท่านเห็นแจ้งในกายนี้ตามจริงนะบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกเลยอ เพราะว่ามันเป็นภาระหนักเหลือเกินนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาสิตไว้ว่าภาระหาเวปัญจขันธ์ธาขันธ์ทางห้านี่เป็นภาระอันหนักภาระหาโรจัปุกโรแต่บุคคลก็ยึดถือเอาภาระหนักอันนั้นไว้นี่เป็นอย่างนี้ ทั้งที่รู้ว่าขันห้านี้เป็นพระภาระอันนักแต่จิตมันก็ ย, ยังยึดถือยังหวงแหนอยู่ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นภาราดานางดูข้างโลเกการยึดถือภาระอันหนักไว้นั้นย่อมเป็นทุกข์ในโลก เนีน่ยผู้ดามายึดถือภาระอันหนักคือขันห้าอันนี้ว่าเป็นของของเราแล้วมีแต่ทุกข์เจ็บหน่อยหนึ่งก็เป็นทุกข์ปวดหน่อยหนึ่งก็เป็นทุกข์ใจใครมาตำหนิตีเตียนหน่อยหนึ่งก็ทุกข์ใจพ่ห่วงร่างกายนี้ไม่อยากให้ใครนินทาว่าร้าย อ, อ, อย่างนี้เนี่ย ลักษณะอาการที่จิตมันยึดถือขันห้านะมันเป็นอย่างนี้ลองสังเกตดูในใจของใครของเราอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมเห็นมีได้ยินข่าวเขาตีเตียนคุณนะเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ให้นะอย่างเงี้ยเดีวใจเป็นไงมันโกรธไหมหรือมันไม่โกรธนั่นเอง ถ้ามันได้พิจารณาเห็นแจ้งในขันห้าตามจริงอย่างว่านล่นแล้วมันก็ไม่โกรธมันก็พิจารณาเห็นว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เราเขาว่าให้ขันห้าจางหากขันห้านี่ไม่ใช่ของเราใครจะว่าเลยใครจะสรับสริญก็สนรเสนินไปใครจะนินทาก็นินทาไป เ, เราจะพิจารณาดูความดีของเราเอง ถ้าความดีของเรามีความบริสุทธิ์มีอยู่อย่างนี้เราก็ไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าเขาว่าเราไม่ดีเมื่อพระพิณาเห็นว่าเราก็ไม่ดีจริงตรงนั้นน่ะความบกพฤิติอย่างนั้นของเราไม่ดีจริงอย่างเขาว่าเราก็สำรวมระวังตนต่อไปอย่าไปทำเสียอย่างนั้นทำให้ดีขึ้นไปพูดให้ดีไปกว่านั้นเนี่ย คนมีปัญญามต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ไม่เป็นมัวเมงโกโรธใครหรอกเขาติหินอินทามาเมื่อเมื่อเขามองเห็นความพวกความไม่ดีของเราเขาต้นนีตีเตียนมาก็นับว่าบุญโขแล้วนะเขาเตือนเร า, เร า, ราเอ่ะให้เราพิจารณาตัวเองให้เราพิจารณาเห็นความบุกค้อของตนเอง เมื่อพวกคนที่ไม่ถือตัวถือตนถือขันธ์ท่าว่าเป็นเราเป็นของ้องเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละอืมก็ไม่โกรธพิจารณาเห็นว่าตนบกพ่องตรงนั้นจริงก็ทำให้มันดีขึ้นไปมันก็ดีเท่านั้นเองนะคนเราถ้ารู้จักรู้เท่านะมันก็มีประโยชน์มากคาสรรเสริญคานินทาหมดนี้นะอ่าเขาสรรเสริญเยนยอว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เราดีจริงเหรืออย่างเขาว่าเหรือเนี่ยได้มากลัวพิจารณาตัวเอง เ, ออเราทำดีอย่างนั้นจริงอย่างนี้เขาจึงได้ยกจองผลงานของเรามันมีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เขาจึงได้ยกย่องก็เป็นความจริงเขางเป็นความจริงแล้วเราก็จะไปดีใจอะไรหนักหนาใครไม่สรรเสริญ ม, มันก็ดีเราทำความดีแล้วนะ มันก็ดีอยู่งั้นแหละถ้าตนทำความชั่วแล้วใครมาสรรเสริญว่าดีอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะเนียมันก็ชั่วอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> คนเรามันต้องรู้จักอย่างนี้รู้อย่างนี้ถ้านนิวรู้ตามความเป็นจริงเ <c oughs> มื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเพราะว่า ความจริงมันปรากฏในใจแล้วอย่าไปเสียใจดีใจอะไรแล้วเมื่อกล่าวโดยสรุปลงแล้วก็มายความว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าเหล่านี้นะมันเป็นเพียงสภาวะธาตุดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้อาศัยขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้ตลอดไป ใ, ใครๆก็ยอมรู้ดีอยู่แล้วดันั้นจะไปหวงไว้ทำไมปล่อยตามสภาพก็มันใครจะสรรเสริญใครจะนินทาก็ว่ากันไปแต่ถัวตัวเองก็จะพา ย, ยายามชำระตัวเองให้มันบริสุทธิ์พุทธฟองเท่าที่จะทำได้ในเรื่องคำสรรเสริญนินทาเอาไว้เบื้องหลัง ตัวเองต้องเดินหน้าเรื่อยทําความดีไปเรื่อยอืเพราะว่าความดีความชั่วใครทําแทนใครไม่ได้ดอกใครจะหยิบยกมาให้แก่ใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างทําเอาทั้งนั้นแหละออมันต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้เมื่อพารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนใจอะไรเลย ก็มีได้ตั้งหน้าทำความดีไปนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราคินฉะไหนมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินทานันกปราชญ์ท่านกล่าวไว้ไม่มีพิษ แต่พระพุทธรูปนะก็ไม่ใช่ว่ามีจิตวิญญาณอะไรอะ่ะประทับอยู่บนแท่นนั่นคนไปดูไปเห็นเข้ากัยังเอา้าวผู้ผู้เห็นว่าสวยงามก็ซารเสริญผู้เห็นว่าไม่สวยงามตรงนั้นตรงนี้ก็ตำหนิเอ๊ะตรงนี้ไม่สวยไม่งามนะถ้าทําให้ดีไปกว่านี้จะสวยงามมากพออย่างนี้แหละ แต่ทีนี้เมื่อพี่นาเห็นว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำเหมือนกับเทน้ำเทน้ามันก็ไหลซึมไปตามดินไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ไปไหนอ ะ, อะนินทากาเลถ้าจิตของเราตั้งมั่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวไอ้คำนินทาว่าร้างตามมันก็หายเข้ากลิบเมฆไป มันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยถ้าเาถึงความสุขความทุกข์เหมือนกันมันเป็นแต่สมมุติบรญยัติว่าไปตามลักษณะอาการของสังขารเท่านั้นเองนะถ้าว่าความสุขนั้นได้แก่ร่างกายสังขารที่เป็นปกติเมื่อมีบัติแปลปวนท้าก็บรร ญ, ญัติว่า มีความศุขในความทุกข์นั่นโค้งกันข้ามร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งวิบัติแปลปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตเดยเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นมาตามอาการของร่างกายที่มันวิบัตินั้นสมมติว่าถ้าเป็นไข้ มาลาเรียอย่างงี้นะความร้อนขึ้นสูงอ่ะมันก็ร้อนมากความรู้สึกของจิตใจนั้นร้อนมากกระวนกระวายไอความที่ร่างกายกระซับกระสายจิตใจก็กระซับกระสายไปมานั่นแหละคือลักษณะแห่งความทุกข์ทีนี้ เมื่อมาฝึกฝนอารมจิตให้สงบไปตั้งมั่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายที่มันแปรปวนหรือมันร้อนอยู่นั้นจิตไม่ร้อนกายร้อนไปตามเรื่องของกายแต่จิตไม่ร้อนอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แต่กายจิตไม่เป็นทุกข์ตรงนี้แหละให้พากันเข้าใจเราต้องแยกแยะ ก, กันออกไปอย่างนี้ มันจึงไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ใจ <c oughs> ถ้ า, ากว่าเรากำหนดรู้ไม่ได้อย่างนี้เอากายกับใจเป็นอันเดียวกันอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์หลายนะนเป็นทุกข์หลายทุกทางกายทุกทางใจเลยแบบนี้มันเป็นไง ดังนั้นต้องแยกใจออกไปส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งจิตนี้มันไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนเหมือนร่างกายขโรคของจิตก็คือกิเลสความโรคโปรดหลงทละกกิเลสตัว น, นี้ออกไปเสียจิตนี้ก็ไม่มีโรคภั้นันเไอ้ร่างกายนี้นั้น ถึงอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องมีโรคอยู่นั่นแหละมีโรคเบียดเบียนนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่โรคจ้อนมาก็เป็นโรคประจำขันเช่นโรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคปวดอุจจาระปัสสาวะโรคอยากลับอยากนอนมู่เนี่ย เป็นโรคประจําขันเลยมีประจําขันอยู่อย่างนี้ดั <c oughs> นั้นผู้ภาวนาต้องกำหนดรู้เท่า <c oughs> ไม่รู้เท่าแล้วมันจึงได้วันไหวในจิตใจนี่นะไม่รู้เท่าโรคประจําขันเนี่ยในส่วนโรคย้อนมานั่น ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้เมื่อหมอวางยาถูกแล้วโรคนั้นมันก็หายไป <c oughs> <c oughs> ส่วนโรคหิวข้าวกรหายน้ำเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะมันไม่มีอะไรบำบัดให้มันหายได้ มันได้ก็เมื่อหิวเข้าก็รับประทานเสียเท่านั้นเนี่ยเมื่อกระหายน้ำก็ดื่มซ ะ, ะเมื่อหิวนอนก็นอนอะ่อย่างนั้น <c oughs> แต่มันก็บำบัดได้ชั่วคราวสักหน่อยมันก็หิวขึ้นมาอีกแล้วม <c oughs> ีมันเป็นอยู่เนี่ยโรคประจำร่างกายสังขารอันเนี้ย ดังนั้นนะเราต้องภาวนาให้รู้เท่าเมื่อรู้เท่าแล้วก็ไม่เดือดร้อนมากเนี่ยชีวิตน่ะมันมีปัญหาชีวิตนี่มันมีปัญหา นี่จะต้องแก้ไขดังกล่าวมานี่แหละถ้าหากว่าผู้ใดแก้ไขไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ใดไม่มีอุบายสอนจิตใจของตัวเองอยู่เสมอๆนะ่ะมันเป็นทุกข์จริงๆจิตนี่นะเพราะมันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง ถ้าไม่รู้เท่าแล้วจะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วพวกของไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตอันนี้อยู่เสมอดังที่พูดมาแล้วตอนต้นว่าคนเรานาจะชำระอีเลดความโลธโกรธหลงออกจา ก, กจิตใจได้ก็เพราะบำเพ็ญบุญกุศล เช่นให้ทานก็เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตณีออกไปถ้าบุคคลไม่ให้ทานเน่ะมันก็ตนีห่วงเห็นเนี่ยเงินทองเข้าของอนี่หาได้มาเหลือใช้เหลือใจมันก็ไม่รู้จักจะให้ทานเสียดายสะสมมันไว้อย่างนั้นเลยจนตาย ทรัพสมบัตินั้นเลยไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไปในภายภาคหน้าเป็นประโยชน์แต่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะมันเบงนัน ต, ต น, ตนตายตนตนตายลงแล้วก็เลยเป็นของผู้อื่นไปตนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับทรัพย์สินเงินทองนั้นทรัพย์สินเงินทองส่วนไหนที่ตนได้ให้ทานได้ฝากขังไว้ในพุทธศาสนานี้ ท่านว่ามันก็เป็นบุญนิธิติดตามตัวบุคคลผู้นั้นไปในภพในชาติต่อไปเดียว่าไปอำนวยความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้น <c oughs> <c oughs> การรักษาศีลมันก็เป็นเครื่องกำจัดความโกรธความเมาติให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ เพียงจะให้เบาบางไปก่อนนะในขั้นศีล น, นี่นะความโกรธความมายาบาตมันจะละได้ขาดเด็ดก็นุ่นเลยแก่ปัญญานุ่นการเจริญปัญญามีปัญนานุ่นในตอนต้นนี่เมื่อรักษาศีลให้มัน่นสำรวมศีลด้วยดีแล้วอย่างนี้นะมันมันจะไม่โกรธใครเลยอดกั้นถ้ามันโกรธก็ ขึ้นมาก็อดกลั้นทนทานไม่แสดงออกทางกายทางวาจาให้มันปรากฏอยู่แต่ในใจแลว้วก็ระงับกันอยู่ภายในจิตใจเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าผู้ที่ไม่สำรวมในศีลแล้วเอาละเมื่อปล่อยความโกรธครอบงำจิตใจ ก็ยอมยอมละศินซะยอมทำลายสินดังนั้นนะมันถึงเกิดความโกรธขึ้นมานะทะเลาะวิวาดกันทุ ก, กันตีกันอะไรหมูอนี้นะก็เพราะมันขาดการสารวมในสินนั่นเองไม่เคารพต่อสินอย่างจริงจังนี่ถ้าผู้ใดเคารพต่อสินต่อวินัยจริงจังแล้วอมันจะไม่ทะเลาะกับใครเลยอนะ่ะ มองเห็นแล้วว่าถ้าไปขืนทะเลาะกับคนอื่นเข้าไปศีลก็เศร้าหมองหรือขาดศ <c oughs> <c oughs> ีล น, นี่แหละจะพาเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานสอนใจตัวเองเข้าไป <c oughs> จะพาให้เราพ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ก็เพราะศีล น, นี่แหละ นี่ต้องมีอุบายสอนใจในอใจมันยังเชื่อมั่นในศีลมันยึงเคารพต่อศีลถ้ามันไม่เห็นศีลที่มีคุณค่าอันมหาศาลต่อชีวิตแล้วมันจะไม่เคารพมันจะไม่มั่นในศีลเลยคนเรานะ่ยมันเป็นยังไมันจะไปรุกอำนาจต่อกีเลสโน้ สุดท้ายก็ภาวนาการภาวนานี่เป็นการละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสะละกิเลส้อยใหญ่ทั้งหลายถึงขั้นภาวนาแล้ว น, วนี่เรียกว่ามันชำละกิเลสส่วน ย, ยาบยับมาเจตทานเจศินมาแล้วกิเลสยับยาบมัน หายไปจากกิจใจนี่ยังเหลือกิเลสส่วนละเอียดขั้นภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ภาวนามันจึงมีใจสงบได้ดีจึงมีใจเยือกเย็นเตี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเพราะเห็นว่ากิเลสหยาบหยาบันนั้นมันระงับลง แต่ถ้าใครไม่ชำระกิเลสส่วนหยาบด้วยทานด้วยศีลมาก่อนอย่างนี้แล้วมันนั่งภาวนากําหนดละกิเลสทั้งย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปในมันแสนยากแสนลําบากอืมบางคนก็ทําไม่ได้ทาหรอกทําไม่ได้แต่ผู้ที่มีอินทรียบรมีแก่กล้าสมควรนั่นแหละ อย่างเช่นท่านภาษาวกแต่ก่อนพุทธบริษัทต่ก่อนนู้นนะขอได้มาฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงเท่านั้นเนี่ยท่านก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วแสดงว่าฐานของท่านมีอยู่ในใจอยู่แล้วศีลก็มีอยู่มาภาวนาก็เป็นไปอยู่ แม้ว่าว่าต่ชาติก่อนนั้นเคยอบรมมาอย่างเช่นเราอบรมตัวเองอยู่ในชาตินี้แหละเึกตอนอยู่ในชาตินี้ทำกิเลสตัวยงยาให้มันเบาบางออกไปอย่างนี้แล้วแต่ว่ามันหมดอายุสังขารแค่ก่อนมา น, นี้พอมาเกิดมาเป็นคนได้มาพบพุทธศาสนาเข้าได้พบพุทธเจ้าเข้าอย่างนี้ พอฟังเทศเข้าไปมันก็ละกิเลสส่วนที่มันเหลืออยู่นั่นได้โดยเร็วไกิเลสส่วนละเอียดล้วนส่วนหยาบนั้นท่านละมาแต่ชาติก่อนโน่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นภาษาวกบางองคเนะพราะองค์แสดงบาทพระกาถาเดียวเท่านั้นแหละแสดงธรรมนะไม่ได้อธิบายทั้นะยกคาถาขึ้นกล่าวเท่านั้นจบลง ก็สําเร็จอาราหันแล้วนี่แหละการทําความเพียรคนเรามันยิ่งบันย่อนกุกกันดังนั้นนะ่ะอย่าพากันประมาทในไหนไหนเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วแม้ว่าไม่ได้ทําความเพียรในชาตินี้ชาต่ตอไปต้องได้ทำํำถ้าไม่ทําความเพียรลากกิเลสนี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมา น, นะฉะนั้นโอกาสดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในมาพบพุทธศาสตรสนาในชาตินี้เราก็ตั้งใจเอาพาคือพยายามเพ่งพินิษท์ทำลายกิเลสอันมันมาผมอยู่ในจิตใจนั่นให้มันน้อยเบาบางออกไปถึงแม้นไม่หมดก็ดี แล้วชาติต่อไปนั้นจะไม่ลาบากลำบนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละดังกล่าวมาให้ฟังนี้แล้วก็พึ่งพากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นตามที่แนะนำนี้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อกล่าวโดยสรุปนะถ้าใครไม่คิดฝึกตน ไม่คิดลากกิเลสออกจากหัวใจนี่คูนั้นก็บ้นทุกข์ไปไม่ได้ดังแสดงมา